ก็ยินดีต้อนรับแขกหน้าใหม่ <laughs> อตอนนี้เรากำลังพูดกันในเรื่องของจริงๆนั้นแนหะคือกำลังพูดในเรื่องของวิปัสสนาญาณเราได้พูดถึงญาณที่หนึ่งญาณที่สองญาณที่สามถึงญาณที่สี่นี่การที่จะต่อในญาณต่อๆไปนั้นนะก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องทำความรู้จัก กับในเรื่องของบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องนั้นตอนนี้อาตมากขากลังพูดกันถึงเรื่องมาเรื่องทุกข์อย่างเขาที่แล้วเพื่อต้องการให้โยมได้เข้าใจให้ชัดเจนลงไปซึ่งตามปกตินี่นะในการปฏิบัติของเราเนี่นะเราก็กำลังปฏิบัติเพื่อจะไปสู่ความดับทุกข์เพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์ นั้นเราก็ต้องเน้นกันอยู่เสมอว่าไอ้ตัวทุกข์ที่แท้จริงคือตัวไหนตัวทุกข์ที่แท้จริงคือตัวปัญจุปาทานขันต้องจำไว้ให้มั่นเลยคุณโยมปัญจุปาทานขันขันที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นขันที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นตัวดับทุกข์ล่ะตัวดับทุกข์ก็คือตัวที่ละคลายความยึดมั่นถือมั่นก็คงคืน เป็นปัญจขันธ์หรือเป็นบัญจขันธ์เบญจขันธ์เฉยเป็นขันห้าที่บริสุทธิ์เพราะฉัอย่างพระอรหันต์นั้นท่านดับทุกข์ได้แล้วท่านมีแต่ขันห้าที่บริสุทธิ์แต่อย่างขันอย่างพวกเรานี่ยนะคือเป็นปัญจุปาทานขันปัญจุปาทานะขันมาจากคาว่าปัญจขันธ์บวกด้วยอุปาทานเป็นปัญจุปาทานะขัน เพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาพระสมาบุรุษเจ้าให้เราพยายามเข้าไปพิจารณาในขันห้าโดยให้พยายามปล่อยละวางขันห้าให้ได้หรือละคลายความยึดมัน่นถือมั่นในขันห้าให้ได้นั่นคือเป็นจุดประสงค์ใหญ่เป็นประเด็นสำคัญ สุดท้ายนั่นนะคือเราจะต้องปล่อยวางขันห้าชีวิตจริงๆนั้นชีวิตประกอบด้วยกายกับจิตหรือกายกับใจแต่ว่ากายนั้นเป็นคนละส่วนกับใจกายนั้นเป็นส่วนหนึ่งใจเป็นส่วนหนึ่งกายนั้นคือเกิดแก่แล้วก็ตายส่วนใจนั้นมันไม่ตายใจนั้นมันเป็นอมาตะธรรม ทีนี้ด้วยความไม่รู้ด้วยความไม่รู้ความมืดความบอดความโง่หลงงมงายของใจหรือของจิตมันไปยึดเอาขันห่าว่าเป็นตัวเราเป็นของเราตัวนั้นนะคือตัวทุกข์ที่เรียกว่าปัญจุปาทานะขันนี่คุณโยมต้องฝังใจเว้นอย่างนี้เลยเพรานั้นตลอดระยะเวลาพระสมบูญเจ้าให้เราเข้าไปพิจารณาความเป็นจริงแท้ของขันห้า ว่าความเป็นจริงแท้ของขันห้านั้นคืออย่างไรคืออย่างไรทั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เราเมื่อรู้ความจริงของขันห้าแล้วเราจะได้ละได้คลายความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าลงเมื่อเราสามารถละคลายความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าลงได้แล้วเมื่อนั้นแหละเราก็ทกุก็จะเริ่มดับไปเพราะนั้นประเด็นสาคัญในที่นี้ พระสมบูเจ้าให้เราเข้าไปพิจารณาประเด็นแรกก็คือให้เราไปพิจารณาให้เห็นขันห้าเป็นไตรลักษ์ให้ได้ให้เห็นขันห้าเป็นไตรลักษณ์ให้ได้ไตรลักษ์ <c oughs> ก็คือลักษณะที่มันเสมอเหมือนกันสมประการลักษณะที่เสมอเหมือนกันสมประการนั้นก็คือความเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยง เป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่การที่เราจะเข้าไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปของนามของขันธ์ห้าได้นั้นเราต้องเห็นความเกิดความเกิดขึ้นของรูปนามขันธ์ห้าแล้วก็ความดับไปของรูปนามขันธ์ห้าถ้าเราสามารถเข้าไปเห็นความเกิดความดับของรูปนามขันธ์ห้าได้แล้ว เมื่อนั้นเราก็บอกได้ว่ารูปนามขันหานั้นเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตานั้นก็คือในยานที่สองในยานที่สามนั่นแหละในยานที่สองถ้าในเราเข้าไปเฝ้าดูให้เห็นความเกิดขึ้นของรูปของนามใช่ไหมในยานที่สองส่วนในยานที่สามให้เราเข้าไป เฝ้าดูการดับไปของรูปของนามเมื่อในญานที่สองเราเห็นความเกิดขึ้นในยาณที่สมเราเห็นความดับไปของรูปของนามเราบอกได้เลยว่ารูปนามคันห้านี้ไม่เที่ยงเพราะว่ามันมีเกิดมีเกิดมีดับมีเกิดมีดับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเกิดมันดับมันก็ไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นไม่เที่ยงเราบอกได้เลยว่ามันเป็นทุกข์ เพราะความทุกข์นั้นคือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไหลเลื่อยไปตลอดเวลาก็ในเมื่อรูปน้ำขันห้ามันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ด่าไปแสดงว่ามันทน อ, อยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นรูปน้ำไม่เที่ยงเราบอกได้เลยว่ารูปนามนั้นเป็นทุกข์เมื่อเราเห็นรูปนามเป็นทุกข์มันเปลี่ยนแปลงไหลเรื่อยตลอดเวลาเราบอกได้เลยว่ารูปนามนั้นเป็นอนัตตา อนาตตาเพราะว่าบังคับบัญชามันไม่ได้ไม่มีใครที่จะไปบังคับบรรชารูปนามขันห้าให้เป็นไปตามความต้องการของใครๆได้เพราะฉะนั้นรูปนามขันห้าก็ไม่ใช่ตัวตนของใครๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นรูปนามเป็นทุกข์เราบอกได้เลยว่ารูปนามนี้เป็นอนาตตานี่ประการหนึ่งดั้นได้เคยเล่าให้ฟังมาในครั้งแรกแล้วพระสมะพระเจ้าเทศปโปรดปัญจวัคคีย์ทั้งห เพียงแต่แสดงให้เห็นว่ารูปนามขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นปัญจวคีทั้งห้าบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทันทีดับทุกข์ได้ทันทีเลยเพราะเมื่อได้เห็นรูปนามขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญจวคีทั้งห้าเกิดการเบื่อหน่ายรูปนามขันห้าทันทีเมื่อเกิดการเบื่อหน่ายแล้ว ก็เกิดการละคลายความยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันธ์ห้าทันทีเพราะฉะนั้นเพียงแต่ได้ฟังว่ารูปนามขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปัญจวัคคีย์ทั้งหบรรลุเป็นอรหันต์เลยดับทุกข์ได้เลยนี่ประการที่หนึ่งประการที่สองพระสมาพระเจ้าให้เราเข้าไปพิพจารณาขันธ์ห้านี้เป็นของโสกปรปก ไม่สวยไม่งามเป็นอสุภาอาสุพังอสุภาอาสุพังแปลว่าไม่สวยไม่งามแต่คนเราก็มันมองไม่เห็นจุดนี้มันมองเห็นเป็นรูปนามขันห่านี้สวยงามมันสะอาดก็จึงเข้าไปยึดมั่นถือมันแต่แท้ที่จริงแล้วรูปนามขันห่านี้มันโส ก, กปรกมันไม่สวยไม่งาม พระนั้นพูะเจ้าให้เราพิจารณากายคตาสติเรียกว่าให้มีสติไปตามกายกายไหนก็กายอาการ32ของกายตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอน็นกระดูกนี่เป็นอาการกายอาการ32ของกายเพราะนั้นพูะเจ้าก็ให้เราเข้าไปพิจารณาดูดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนัง ดูซิว่ามันสะอาดจริงไหมมันสวยมันงามจริงไหมพระเจ้าให้เราพิจารณาแต่ละประการแต่ละประการในอาการส2นี้แล้วในแต่ละอาการนั้นก็ให้พิจารณาในหประเด็นด้วยกันใช่ไหมหนึ่งให้ดูรูปพันสันฐานของมันเป็นอย่างไรแล้วก็ถามใจเราว่ามันสวยมันงามตรงไหนสองให้ดูรูปให้ดูศีลสารวช น, นะมันเป็นอย่างไร แล้วก็ให้ถามใจของเราว่ามันแล้วมันสวยมันงามตรงไหนสมให้ดูสภาวะประจําวันของมันเป็นอย่างไรมันสะอาดหรือมันสกปรกถ้ามันสะอาดทําไมเราจึงต้องชะต้องล้างต้องมันทำความสะอาดให้มันอยู่เสมอก็เพราะมันสกปรกเราจึงต้องชะต้องล้างมันอยู่เสมอๆนั่นประการที่สมให้ดูสภาวะประจําวันประการที่สีให้ดูฐานที่ตั้งของมัน มันตั้งอยู่บนอะไรอย่างยกตัวอย่างผมนี่มันตั้งอยู่บนหนงังศีรษะบนศีรษะแล้วนี่เราถามว่าใต้หนงังศีรษะไปนั่นมันเป็นอะไรเป็นน้ำเลือดเป็นน้ำเหลืองเป็นน้ำหนองใช่ไหมเราถามว่ามันสะอาดหรือมันสโปรกเห็นไหมหลาประการสุดท้ายก็ให้เราพิจารณาถึงธรรมชาติเข้าสร้างส่วนประกอบ ร่างกายต่างๆเหล่านี้นะ่ะขึ้นมาเพื่ออะไรทุกอย่างธรรมชาติก็สร้างม า, เ, าเพราะเื่อให้มันมีหน้าที่เท่านั้นให้มันมีหน้าที่แต่และส่วนมันมีหน้าที่เฉพาะก็มันอเขาไม่ได้สร้างมาให้มันสวยมันงามอะไรเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละจึงเรียกว่าให้เราพิจารณาดูอาการสามจุดสองดูที่ว่ามันสวยมันงามตรงไหน ให้เราพิจารณานี่เราก็จะเห็นว่าโอ้รูปนามขันท่านี้จริงๆมันเป็นอย่างนี้เองมันไม่สวยมันไม่งามมันเป็นสิ่งโสกปรกแล้วก็ถามจิต ข, ของเราว่าสมควรไหมที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่ น, นสมควรไหมที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปนามขันท้านี้ก็นเมื่อรูปนามขันท้านี้มันโสก ป, ปรกมันไม่สวยไม่งามนี่ ก็เป็นอีกประการหนึ่งที่พระสมาผู้เจ้าให้เราหมั่นพิจารณาเรียกว่ากายคตาสติให้มีสติไปตามกายพิจารณาอย่างนี้อยู่เสมอเสม อ, อมนี่ประการที่สองประการที่สามพระสมาผู้เจ้าให้เราเข้าไปพิจารณารูปนามขันห้าโดยที่ท่านอุปมาอุปไมยไว้ให้ให้เราเข้าไปพิจารณาดูที่มันมีแก่นสารสาระอะไรไหม ไอรูปน้าขันห้านี้น่ะมันมีแก่นสารสาระอะไรไหมโดยท่านอุปมาไว้ว่ารูปขันอุปมาเหมือนกับฟองน้ำเรานึกถึงฟองน้ำนึกถึงฟองสบู่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันอยู่ได้นานไหมสักครู่เดียวมันก็แตกกระจายไปรูปขันก็เหมือนกันรูปนี้ก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่ได้คงทนอยู่นานอะไรเลย นั่นที่สุดมันก็แตกสลายไปนั่นรูปอาคารเปรียบเสมือนฟองน้าเวทนาขันในขันห้าเปรียบเสมือนต่อมน้าต่อมน้าก็คือหยดน้าฝนที่มันหยดจากชายคาลงพื้นดินทันทีที่หยดน้าฝนหยดจากชายคาลงสู่พื้นดินมันก็แตกรแตกระจายทันทีใช่ไหมแตกกระจายทันทีเวทนาก็เหมือนกัน มันมันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออาทุกขมาสุ ข, ขเวทนาเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็แตกทันทีแตกกระจายไปทันทีอ응แล้วเรื่องอะไรถึงได้ไปยึดมัน่นถือมั่นในเรื่องของเวทนานี้นั่งหนาอืม응นั่นก็พิจารณาดูท่านอุปมาไว้ให้เราอย่างนี้อืม응เมื่อเราพิจารณาดูแล้วก็เห็นเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจน ประการที่สสัญญาขันความจำได้หมายรู้จำได้หมายรู้อะไรจำได้หมายรู้อารมณ์ทั้งหคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะธรมารมที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็จำเอาไว้การที่จำเอาไว้นี่นะหมายความมาัในร่างกายของเรานีน้ะภาคสัญญามันมีอยู่ในตัวเนี้ยซึ่งจริงๆนั้นนะภาคสัญญานี่นเหมือนกับ เครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองคอมพิวเตอร์ประการหนึ่งของคอมพิวเตอร์มันคือมันเมนโมรีไว้ได้ใช่ไหมมันเมนโมรีเรื่องราวต่างๆไว้ได้เพราะนั้นในภาคสัญญานี่ก็เหมือนครับมันจําแต่ถามว่ามันจําได้ไปตลอดไปทุกอย่างไหมไม่หรอกใช่ไหมเพราะนั้นสัญญาขันที่พระเจ้าจึงเปรียบเสมือนอุปมาเหมือนพยับแดก พยายแดดในวันที่แดดจั ด, จดเราขับรถไปตามถนนเราจะมองไปข้างหน้านี่เหมือนระยิบระยับระยิบระยับเหมือนกับน้ําเหมือนกับน้ําเหมือนกับน้ําทะเลเหมือนกับน้ําในแม่น้ําแต่พอเราเข้าไปถึงจุดนั้นแล้วเป็นไงไม่มีอะไรเลยหมายความว่าไอ้เราพยับแดดนั่นเป็นคล้ายๆภาพลวงตาใช่ไหมเพราะฉะนั้นสัญญาขันนี่ก็เช่นเดียวกันเหมือนภาพลวงตา ดูเหมือนว่าจะจําได้แต่สุดแล้วมันก็จําไม่ได้หรอกจาไม่ได้ทั้งหมดหรอกเป็นอันนี้แหละสัญญาขันประการที่สีส่สังขารนักขันสังขารนักขันการปรุงแต่งกางปรปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งอารมณ์ทั้งหที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปรุงแต่งให้ใจเราเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายใช่ไหมเกิดความยินเดี๋ยวยก็เกิดความยินดี เราะชอบใจอยากได้ปรเดี๋ยว่าเกิดความยินร้ายอืร้องไห้ไม่ชอบใจไม่อยากได้ก็ท่านั้นเอง<ม>สแสดงว่าจิตของเราเนี่ยเป็นธาตุของไอ้สังขารมันสังขารมันคอยปรุงคอยแต่งคอยหลอกเราอยู่ตลอดเวลาไม่มีแกนสารอะไรเลยผู้จ้าบอกว่าสังขาร น, นั้นนะ่ะมันเปรียบเสมือนต้นกล้วยต้นกล้วยเนี่ย น, นะเราลอง ล่อกรกาบออกทีแล้กาบล่อกรก า, กกาบแล้วกดทิ้งไปล่อกรกาบแล้วกดทิ้งไปในที่สุดแล้วกราบสุดท้ายไม่เหลืออะไรเลยเช่นเดียวกันเรื่องของสังขารไม่มีแกนสารสาระอะไรเลยไม่มีแกนสารสาระอะไรเลยนั่นประการสุดท้ายสันอย่าเอาวิญญาณขันวิญญาณขันวิญญาณขันเป็นตัวรับอารมณ์ต่างๆ ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ส่งไปให้จิตเป็นผู้รู้วิญญาณขันนี่ท่านก็ บ, บอกว่าเหมือนกับมายากลที่เขาเล่นกลเขาทําภาพลวงตาให้เราโดยอาศัยความเร็วใช่ไหมนั่นะ ม, มายากลมายากลเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าขันทั้งห้านี่นะ่ะไม่ว่าจะเป็นรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันวิญญาณขัน เป็นสิ่งที่ไม่มีแกนสารสาระประโยชน์อะไรเลยนั่นแต่เราก็ไปหลงไปยึดรูปเป็นของเราสัญญาอาเวทนาเป็นของเราสัญอ่าสัญญาเป็นของเราสังขารเป็นของเราวิญญาณเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราแต่เมื่อไปยึดในสิ่งที่มันไม่มีแกนสารสาระมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนี่พระเจ้าอุปมาไว้ให้เราเข้าไปพิจารณา เป็ะนในภาคของวิปัสสนานี่แหละอย่าลืมว่าต้องอยู่กับรูปนามขันห้าเท่านั้นต้องอยู่กับรูปนามขันห้าพิจารณารูปนามขันห้านี้เท่านั้นอืมประการสุดท้ายอีกประการหนึ่งท่านก็ให้เราพิพจารณาในเรื่องของขันห้าว่าขันห้านี้น่ะมันเป็นของหนักนะขันห้านี้มันเป็นของหนักนะผู้เจ้า ก, ก็ตรัสเอาไว้ พาลาฮเวปัญจักขัณฑาว่าขันห้านี้นมันเป็นของหนักเราทั้งหลายก็แบกเอาของหนักเก็นเข้าไว้การแบกของหนักไวนะ้นั่นแน่นอนเป็นทุกข์ที่สุดในโลกแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยวางขันห้าเสียได้จะเป็นสุขโดยแท้นี่แหละสิ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่พระสมมาผู้เจ้าได้ตรัสแสดงไว้ทั้งนั้นทั้งสี่ประการนี้ เพื่อให้เราเข้าไปพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงแท้ของขันห้าให้ได้ว่าขันห้านี้นะ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะถ้าเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วนะ่ะความทุกข์มันก็จะตามมาทันทีมันจะเป็นปัญจุปาทานขันมันจะเป็นปัญจุปาทานขัน มันอย่าลืมว่าขันห้านี้มีสองชนิดขันห้าที่เป็นปัญจุปาทานขันคือขันห้าที่ยึดมัน่นกับปัญจขันหรือเบญจะขันเฉยๆคือขันห้าที่บริสุทธิ์อย่างพระอรหรนันต์ท่านท่านละปล่อยวางขันห้าใดหมดแล้วทุกท่านดับแล้วทุกท่านดับแล้วเพราะนั้นท่านก็มีแต่ขันห้าที่บริสุทธิ์ขันห้าที่บริสุทธิ์ คืนี้ต้องเข้าใจในหลักประเด็นสาคัญคญอย่างนี้ในการที่เราจะพิจารณาวิปัสสนาญาณญาณสิบหกนั่นนะซึ่งจะเราจะต้องพูดกันต่อไปตั้งแต่ญาณที่ห้าอีกต่อไปนั่นนะจะจำเป็นต้องทาความเข้าใจ อ, อย่างนี้ก่อนเพื่อทําความเข้าใจเพื่อทําความเข้าใจให้ตรงกันเพื่อจะได้รู้ว่าทําไมเราจึงต้องมาพิจารณาให้เกิดญาณให้เกิดญาณอย่างนี้ วันนี้ก็อยากจะขอพูดอีกขันห้าอีกนั่นแหละก็ยังอยู่ในเรื่องของทุกขนี่แหละอยู่ในเรื่องของทุกนี่เพราะต้องทำความเข้าใจขอภยัยยาไปหน่อย ยังอยากจะเรื่องพูดในเรื่องของทุกข์อีกเราต้องเอาตัวทุกข์ในอริยสัจสี่เนี่ยมาเป็นตัวตั้งมันเกี่ยวสําคัญอย่างไรทําไมจึงต้องพูดกันในเรื่องของตัวทุกข์ทำไมต้องกล่าวขึ้นในเรื่องของตัวทุกข์เพระในกิจของอริยสัจสี่เนี่ยน่ะในกิจของอริยสัจสี่นันน่นแห ะ, ระเรื่องของตัวทุกข์นี่แหละ คือต้องกําหนดรู้ต้องกําหนดรู้ทุกต้องกําหนดรู้ทุกในเรื่องของอริยสัจสี่พระเจ้าไม่ให้ทําอะไรนะในเรื่องของทุกไม่ให้ไปทําอะไรกับตัวทุกให้เข้าไปรู้ทีนี้ในรู้เนี่ยรู้ทุกอะไรทุกมีทั้งหมดด้วยการสิบสอประการใช่ไหมทุกในอริยสัจสี่ ต้องเอาตัวทุกในอริยสัจสมาเป็นตัวตั้งต้องเอาทุกในอริยสัจสี่มาเป็นตัวตั้งเอาที่พระสมมาผู้เจ้าท่านจัดแสดงไว้ต้องเอาตัวทุกในอริยสัจสี่พระสมมาผู้เจ้าจัดแสดงไว้ถึงสิสองประการด้วยกันตัวทุกในอริยสัจสี่สสองประการซึ่งในสิบสองประการนี้น่ะเราต้องแยกกันให้ดี ต้องแยกกันให้ดีด้วยประการหนึ่งก็คือต้องแยกในเรื่องของทุกข์นั่นะมันมีอยู่สองประการใช่ไหมคือทุกข์ที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้กับทุกข์ที่ทนได้ยากใช่ไหมความหมายของคำว่าทุกข์ความหมายของคำว่าทุกข์นะความหมายของคำว่าทุกข์ในภาษาธรรมะนะมีอยู่ความหมายประการสาคัญอยู่สองประการคือ หนึ่งทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้สองทนได้ยากทีนี้ทุกที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้นั้นน่ะมันเป็นทุกันท่านอันไหนเป็นเป็นทุกของขันห้านะเป็นทุกของขันห้าซึ่งในสามตัวแรกท่านบอกว่าทุกคือความเกิด ทุกคือความแก่ทุกคือความตายใครเกิดใครแก่ใครตายใครทุกขันห้านะขันห้าเกิดขันห้าเกิดขึ้นขันห้าตั้งอยู่ขันห้าดับไปใช่ไหมอยู่ตลอดเวลาใช่ขันห้าเกิดขึ้นทางไหนขันห้าเกิดขึ้นทางตา ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปใช่ไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเดี๋ยวก็เกิดขึ้นทางตาเดี๋ยวว่าเกิดขึ้นทางหูเดี๋ยวก็เกิดขึ้นทางจมูกเดี๋ยวก็เกิดขึ้นทางลิ้นเดี๋ยวเกิดขึ้นทางกายเดี๋ยวเกิดขึ้นทางใจมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นขันห้า เกิดแก่ตายอยู่ตลอดเวลาเป็นขันห่านั่นแหละคือทุกข์ทุกสามประการแรกนี้เป็นทุกข์ที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์ทางกายหรือเป็นทุกข์ทางาขันห้าเป็นทุกข์ทางกายหรือเป็นทุกข์ทางขันห้าทุกอันนี้ดับได้ไหม ทุกอันนี้ดับได้ไหมถ้าตราบใดยังมีขันห้าอยู่ทุกอันนี้ดับไม่ได้นะทุกอันนี้ดับไม่ได้ทุกทางกายทุกทางขันห้า น, นี้ดับไม่ได้และการที่พระสมชายผู้เจ้าตรัสว่าทุกนั่นน่ะต้องกำหนดรู้นั่นน่ะกำหนดรู้ว่าทุกอันนี้นะอาเชิญโย กำหนดรู้ทุกอันนี้นะทุกของขันห้านะรู้ทุกของขันห้าทุกขันขันห้ามีอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมทุกของขันห้ามีอยู่ตลอดเวลาเพราะขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาขันห้าเกิดแก่ตายอยู่ตลอดเวลา ทุกขันห้านี้มีอยู่ตลอดเวลาพร้ะใครที่บอกว่าไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เนี่ยเพราะว่าไม่เข้าใจคำว่าทุกข์ในพระพุทธศาสนาใช่ไหมไม่เข้าใจคำว่าทุกข์ในภาษาธรรมะใช่ไหมส่วนทุกข์อีกที่เหลืออีก นี่ตั้งแต่ประการที่4ถึงประการที่11นี่อันนี้เป็นทุกข์ทางใจนะเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากเป็นทุกข์ที่ทนได้ความหมายทนได้ยากนี่แหละเป็นทุกข์ทางใจตามปกติการปฏิบัติของเรานะ่นนะการปฏิบัติของเราในขณะนี้เพื่อจะไปดับทุกข์อันนี้ใช่ไหมดับทุกข์ ทางใจนี่ใช่ไหมเพื่อไปดับทุกข์ทางใจนี้เพราะนันอย่างพระอาหารหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยดับทุกข์ทางใจอันนี้นะท่านไม่มีความทุกข์ทางใจนี้แล้วท่านไม่มีความโศกเศร้าแล้วพระอาหารหันต์ไม่มีโศกเศร้าแล้ว แต่พระพระโสะดาบันสกทาคาเมีณาคาเมียังโศกเศร้ายังร้องไห้ได้หรือเปล่ายังร้องไห้ได้ใช่ไหมพระนนท์ไปเกาะดานร้องไห้ตอนที่พระเจ้าในวันนิพพานใช่ไหมพระเจ้าจะนิพพานแล้วพระนนท์เสียใจโอ้เรานี่อยู่ใกล้ชิดพระาศาสดา ยังได้ยังไม่ได้บรรลุอะไรได้เป็นแค่โสดาบันเท่านั้นเองเป็นแค่โสดาบันมันยังร้องไห้คณะภาษาคนธรรมดาอย่างเราขนาดพระโสดาบันยังร้องไห้คณะพระสงฆ์ของพระกัสสปะที่เดินทางมาในวันที่จะถวายเพลิงพระพุทธเจ้า พอรู้ข่าวว่าพระเจ้านิพพานแล้วพระพระพิสุสงฆ์ที่ยังไม่ได้เป็นอรหรันต์ร้องโ hom ร้องไห้ใช่ไหมร้องห h o ร้องไห้ส่วนพระที่เอาเป็นอรหันต์แล้วเพียงแต่สลดเพียงแต่สลดใจเล็กน้อยนั่นหมายความว่าท่านไม่มีทุกข์ทางใจแล้วอ่ะไม่มีทุกข์ทางใจแล้วอืม เพราะนั้นเรากำลังปฏิบัติไปสู่การดับทุกข์อันนี้นะแล้วก็แน่นอนก็คืออันสุดท้ายด้วยอันสุดท้ายเนี่ยคือตัวปัญจุปาทานขันเป็นทุกข์รวบยอดตัวนี้เป็นทุกข์รวบยอดหมายความว่าทุกทั้งสิบเอประการนี้มารวมอยู่ที่ตัวนี้ถ้าเราดับทุกข์ตามปกติแล้วเราเข้าจะไปดับทุกตัวนี้ใช่ไหม เข้าไปดับทุกตัวนี้เข้าไปดับทุกตัวนี้แล้ทุกทั้งหมดนี้ก็ดับหมดก็คือเข้าไปละาคลายความยึดมั่นถือมั่นในปัญจปาทานะขันเมื่อเป็นปัญจขันหรือเป็นเบญจขันเฉยๆแล้วสิ้นสุดกันตายชาตินี้ก็เป็นการตายครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้น พระอระอาหารนันต์นี่จึงนิพพานสองครั้งใช่ไหมนิพพานสองครั้งครั้งที่หนึ่งเรียกว่าสัุปาทิเสสนิพพานสัุปาทิเสสนิพพานคือดับทุกอันนี้ได้ดับทุกอันนี้ตอนที่ยังมีแต่ว่ายังมีขันห้าอยู่ แต่ว่าขันห้าก็เป็นปัญจะขันหรือเป็นบัเนเบญจขันเฉยๆเพราะนั้นครั้งแรกนิพพานครั้งแรกนิพพานครั้งแรกเรียกว่าสัุปาทิเสสนิพพานส่วนนิพพานครั้งที่สองนิพพานเมื่อขันห้าทิ้งขันละขันตอนตายละขันท่านเรียกว่าอานุปาทิเสสนิพพานอานุปาทิเสสนิพพาน เพราะนั้นตามปกติพุทธเจ้าก็ดีพระอาหารหันต์ก็ดีนิพพานสองครั้งนะเพราะนั้นต้องแยกกันให้ดีว่าทุกข์ของขันห้าทุกข์ของทางใจทุกขันห้ายังดับไม่ได้เพราะว่าเมื่อยังมีขันห้าอยู่มันต้องเกิดแก่ตาย มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตลอดเวลาอันนี้เป็นทุกข์ที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ส่วนอันนี้เป็นทุกข์ทางใจเป็นทุกข์ที่ทนได้ยากเพราะอะไรเพราะใจเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นในขันห้าใจมันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเมื่อขันห้าเกิดขันห้าแก่ขันห้าตายขันห้าเป็นทุกข์เมื่อใจเข้าไปยึดมั่นในขันห้า ใจก็บอกว่ากูเกิดด้วยกูแก่ด้วยกูตายด้วยกูทุกข์ด้วยนี่มันหลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่นขันห้าอย่างนั้น